ทุกกะในมีอารมณปัจจัยเป็นต้นในุงเลปัจจัยทั้งปวงกับปัจจัยที่ตั้งอยู่ในอารมณปัจจัยมีสามวาระเท่านั้น80เหตุปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยกับอารมณปัจจัยมีสามวาระละอวิคตาปัจจัยกับอารามณปัจจัยมีสามวาระละเหตุปัจจัยกับอธิปฏิปัจจัยมีก้าวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากรตวิบากและที่เป็นอัพยากรต ก, กิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมัมปฐานารูปและกะตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูป 1, เกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับล่าอสัญญสัจธรรมมหาภูตรูป 1, สาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้น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 เพราะณอ น, นันตรัปัจจัยเพราะณสมานันตรัปัจจัยได้แก่จิตตะมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นณอนันตรัปัจจัยและณสมานันตรปัจจัยเหมือนกับอารามณปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัย90สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอัญญมัญญปัจจัย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 ไดก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาประธาที่เป็นอ ก, กุศลและที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะณอัญญมัญญปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิด ข, ข, ข, ข, ข, ข, ขึ้นณ อ, ขขนข อ, ขอขุปนิสัยปัจจัย91 สภาวธรรมที่เป็นอั n ิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอุปนิสตยปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในวงเล็บณอุปนิสตยปัจจัยเหมือนกับอารามานพเหมือนกับณอารามานปัจจัยณปุเรชาตปัจจัย92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 เหล่าอาจ ญ, ญารศจตพรรมมาหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมาหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะณนะปุเรชาตปัจจัย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 นะปัจฉาชาตปัจใจและนะอเสวนปัจใจัก้าสิบสามสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนับปัจฉาชาตปัจใจได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลละสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนะอเสวนปัจัยได้แก่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 ที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทรฐานที่มีอุตุเป็นสมุทรฐานสำหรับเราอาจรรร า, ร, 3, าจรย์ยตพรมมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและกะตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนสามประยุติปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤต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 นาชานปัจจัยนะมัคคปัจจัยนะสัมปยุตตปัจจัยนะวิปยุตตปัจจัยและโนนาติปัจจัยมีหนึ่งวาระนะเหตุตุมูลกานายัยจบ